เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่นจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดล์คานิกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมธบทที่หนึ่งถ้าท่านต้องการจะเอาน้ำผึ้งก็อย่าแตะรังผึ้งเมื่อวันที่7พฤษภาคมคิตศักรา1931ประชาชนในนครนิวยอร์กได้เห็นการล่ามนุษย์ที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวที่สุด เท่าที่ประชาชนในเมืองเก่าแห่งนี้เคยพบเห็นกันมาแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ค้นหาตัวมาสองสัปดาห์เจ้าปืนคู่คราวลี่เจ้าผู้ร้ายฆ่าคนด้วยปืนซึ่งเป็นคนไม่ส่บุรีและไม่ดื่มสุราถูกต้อนไปจนมุมและถูกจับในห้องพักคู่รักของเขาที่ถนนเวสเอ็นตำรวจและสันติบาล150คนได้วางกาลังล้อมรอบห้องชั้นบนของตึก ซึ่งเป็นที่ซ่อนของเจ้าผู้ร้ายคนนี้หลังคาได้ถูกตัดเป็นช่องเพื่อปล่อยแก๊สน้ำตารมเจ้าคลาวลี่ผู้ฆ่าตำรวจตายทางตึกหลังอื่นๆรอบตึกหลังนี้ตำรวจใช้เป็นที่วางปืนกลนเรียงรายไว้ทุกด้านและนับเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงที่ผู้อยู่ในนครนิวยอร์กในส่วนที่เป็นบ้านพักอาศัยได้ยินเสียงของปืนลั่นระเบิดและเสียงรัวของปืนกลดังกัมปนากึกกล้องอยู่ตลอดเวลา ค r า w l ี่หมอบอยู่เบื้องหลังเก้าอี้นวมตัวหนึ่งปล่อยกระสุนปืนไปยังตำรวจโดยไม่ได้ขาดระยะประชาชนผู้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นราวหนึ่งหมื่นคนได้มาดูเหตุการณ์นี้เป็นการต่อสู้ชนิดที่ไม่เคยมีใครพบเห็นจากการยืนมองดูบนบาดวิถีของนครนิวยอร์กมาก่อนเลยหลังจาก c r า w l ี่ถูกจับเรียบร้อยแล้วข้าหลวงใหญ่ของกรมตำรวจอีีมรูีกล่าวว่าเจ้าเสือปืนคู่คนนี้ เป็นมนุษย์อันธพาลที่น่าคร้ามเกรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของนครนิวยอร์กเขาจะฆ่าคนฆ่าหลวงใหญ่กล่าวแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เจ้าปืนคู่คราวลี่มองตัวของเขาเองอย่างไรบ้างเราได้รู้ความจริงในเรื่องนี้ก็เพราะตอนตำรวจกำลังยิงเข้าไปในห้องพักของเขาเขาเขียนจดหมายขึ้นฉบับหนึ่งถึงผู้ที่มีความสนใจและในขณะเขียนจดหมายฉบับนี้เลือดจากบาดแผลของเขาหยดถูกแผ่นกระดาษ เปเครารยลีย์เขียนในจดหมายฉบับนั้นดังนี้ภายใต้เสื้อของข้าพเจ้าคือหัวใจที่เต็มอยู่ด้วยความอิดโรยแต่เป็นหัวใจแห่งความการุณาปราณีหัวใจซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ใดได้รับอันตรายเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงในขณะครารลีย์กำลังแสดงบทพิศวาสกับสาวคนรักในรถยนต์ที่ริมถนนนชชนบทแห่งหนึ่งของเกาะลองไอแลนด์ ทันใดนั้นมีตำรวจคนหนึ่งเดินไปที่รถยนต์คันนั้นซึ่งจอดอยู่และพูดผมขอดูใบขับขี่ของท่านหน่อยโดยไม่ได้พูดเลยแม้แต่คำเดียวคราวลี่ชักปืนและยิงตำรวจคนนั้นติดติดกันหลายนัดในตอนตำรวจกำลังจะฟุบลงนอนสิ้นชีวิตคราวลี่กระโดดออกจากรถกระชากปืนรีวอลเวอร์จากตำรวจแล้วยิงซ้ำไปที่ร่างนอนเหยียดยาวของผู้พิทักษ์สันติราชอีกนัดหนึ่ง เจ้าผู้ร้ายฆ่าคนคนเดียวกันนี้เองที่เขียนจดหมายภายใต้เสื้อของข้าพเจ้าคือหัวใจที่เต็มอยู่ด้วยความอิดโรยแต่เป็นหัวใจแห่งความการุณาปราณีหัวใจซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ใดได้รับอันตรายสุดท้ายคราวลี่ถูกสารตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าในวาระเขาจะถูกนำไปสู่ห้องประหารในคุกสิ่งสิ่งเขาพูดนี่คือผลแห่งการฆ่าคนตายของฉันหรือเปล่าเปล่าเลยเขาพูด นี่คือผลแห่งการป้องกันตนเองของฉันจุดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเจ้าปืนคู่คราวลี่ไม่ยอมโทษตนเองในการกระทำใดๆทั้งหมดมันเป็นลักษณะอาการของพวกอาชญากรเท่านั้นเองแหละหรือถ้าท่านคิดว่าเป็นเช่นนั้นโปรดฟังคำพูดต่อไปนี้ผมใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดตลอดมาเพื่อทำให้ผู้อื่นได้รับความรื่นเรองบันเทิงใจตามสมควรช่วยให้เขาเหล่านั้นสนุกสนาน ผลที่ผมได้รับจากการกระทําของผมก็คือถูกด่าและกลายเป็นคนที่จะต้องถูกทางการปราบปรามคำพูดนี้เป็นของอันคาโปนผู้เคยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประชาชนอเมริกันผู้เป็นหัวหน้าพวกเหล่าร้ายซึ่งเป็นที่น่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงแก่ชาวเมืองชิคาโกมาแล้วคาโปนไมิได้ลงโทษตนเองเขากลับมองตัวของเขาในฐานะผู้ทาประโยชน์แก่ประชาชน เป็นผู้ทำประโยชน์ซึ่งประชาชนเข้าใจเขาผิดและไม่สำนึกในบุญคุณของเขาทำนองเดียวกันกับดัตชูนเจ้าเหล่าร้ายมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในมรดาเหล่าร้ายที่มีชื่อเสียงที่สุดในรัฐนิวยอร์กก่อนเขาจะล้มลงสิ้นชีวิตจากกระสุนปืนของพวกเหล่าร้ายด้วยกันในเมืองนิวอ r ร์กเขาให้สัมภาษณ์แกน่นังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ทาประโยชน์แก่ประชาชนและเขาชื่อว่าเขาเป็นเช่นนั้นจริงๆ ข้าพเจ้าเคยเขียนจดหมายโต้อตอบกับพัสดีรอแห่งคุกสิงหงถึงเรื่องอันควรสนใจนี้ซึ่งเขาเปิดเผยมีนักโทษอุกชกันในคุกสิงหงอยู่เพียงไม่กี่คนที่รู้สึกตัวว่าเป็นคนชั่วช้าสารเลวอาชญากรเหล่านี้เป็นมนุษย์เหมือนท่านและผมดังนั้นเขาจึงมีเหตุผลของเขาเองที่จะอธิบายถึงพฤติการของเขาเขาเล่าให้ท่านรู้ว่าเหตุใดเขาจึงต้องเปิดตู้เซฟ หรือเหตุใดจึงต้องใช้นิ้วมือนเหนี่ยวไกปืนโดยไม่รอช้าคนเหล่านี้ส่วนมากพยายามสร้างเหตุผลซึ่งอาจจะมีเหตุผลพอหรือไม่พอเพื่อให้ใครต่อใครรวมทั้งตัวของเขาเองเห็นใจในการกระทําอันเป็นประปักต่อความสงบแห่งสังคมของเขาครั้นแล้วเขากล่าวยืนยันอย่างแข็งขันว่าเขาไม่ควรติดคุกเลยถ้าอันคาปอลเจ้าปืนคู่คราวลี ley, ่ดัตชูน และอาชญากรภายในคุกไม่ได้โทษตัวของเขาเองในการกระทาใดๆของเขาแล้วก็คนอื่นๆที่ท่านและข้าพเจ้าติดต่อสัมพันธ์ด้วยจะโทษตัวของเขาเอง ห, หรือครั้งหนึ่งย้อนวานาเมเกอร์ผู้ล่วงลับสารภาพผมเรียนรู้มาส0สิบปีแล้วว่าการดุด่าว่าผู้อื่นเป็นความโง่เขลาเบาปัญญา ผมเคยพบความผิดพลาดเสียหายมาอย่างแทบจะทนไม่ได้แต่ผมไม่ยอมให้อารมณ์เสียทั้งนี้ก็เพราะผมตระหนักความจริงว่าพระเจ้ามิได้ประทานพรแห่งความเฉลียวฉลาดแก่มนุษย์ทุกคนเสมอเหมือนกันหมดวานาเมเกอร์ศึกษาบทเรียนนี้นานมาแล้วส่วนข้าพเจ้าสิผ่านความพลาดพลั้งมาในโลกนี้นับเป็นเวลาหนึ่งในสาของสัตวรรษกว่าข้าพเจ้าจะตระหนักความจริงว่า99ครั้งในหนึ่งรอครั้งแห่งความผิดพลาดของมนุษย์ เขาจะไม่ตำหนิติดเตียนตนเองแต่อย่างใดแม้ความผิดพลาดนั้นจะร้ายแรงสักขนาดไหนก็ตามการตำหนิติดเตียนเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็เพราะจะทําให้ผู้ถูกติดเตียนแก้ตัวต่างๆและพยายามที่จะเข้าข้างตัวเองการตำหนิติดเตียนเป็นภยัยก็เพราะมันสามารถทําให้จิตใจอันภาคภูมิของมนุษย์ได้รับความปวดร้าวทาลายความรู้สึกแห่งการเป็นคนมีความสําคัญและก่อให้เกิดโทสะ กองทัพ บ, บกของเยอรมันไม่อนุญาตให้ทหารยื่นฟ้องและวิาพากวิจารในทันทีทันใดเมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นเจ้าทุกต้องเก็บความขุนค้องมองใจไว้เสียก่อนคืนหนึ่งเพื่ออารมณ์จะได้สงบเยือกเย็นลงถ้าทหารผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้โดยยื่นฟ้องกล่าวโทษในปัจจุบันทันทีก็จะถูกทำโทษจากนี้ไปจนตราบกันประวัติควรจะใช้กฎนี้เช่นเดียวกันในชีวิตของบุคคลสามัญทั่วไป กฎซึ่งจําเป็นสําหรับพ่อแม่ที่ขี้บน่นเมียที่จู้จี้ขี้เอาเรื่องนายจ้างที่ขี้ดุว่าและผู้มีนิสัยหน้าเกลียดหน้าชังที่ตั้งหน้าแต่คอยจับผิดผู้อื่นท่านจะพบในหนังสือประวัติศาสตร์นับตั้งพันหน้าซึ่งดานดาดกราดเกลื่อนอยู่ด้วยตัวอย่างอันไรประโยชน์ของการตําหนิติเตียนผู้อื่นหรือโทษผู้อื่นเป็นต้นว่าเรื่องวิวาสปาดหมางอันดงดังระหว่าง ทีโ o โดโรดเวลและประธานาธิบดีทัพการวิวาดซึ่งเป็นเหตุให้พรรคกรีพับ i ิก n เกิดแตกแยกจนกระทั่งเป็นเหตุให้วูดโรวินสันได้เป็นประธานาธิบดีและนำชาวอเมริกันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างห้าวหาญซึ่งเป็นเรื่องโด่งดังอยู่ในประวัติศาสตร์ทั้งได้เปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์เสียสิ้นเรามาสารวจข้อเท็จจริงอย่างไม่อ้อเอดีกว่า เมื่อทีโอโดโรสเวล์พ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อคิทสกราช 1,908 เขามิได้สมัครต่อแต่ส่งวินเลียมเอสทัพเข้าสมัครและเป็นผู้สนับสนุนจนกระทั่งทัพได้เป็นประธานาธิบดีครั้งแล้วโรสเวลเดินทางไปแอฟริกาเพื่อล่าสิงโตเมื่อโรสเวลกลับมาจากแอฟริกาเขาแสดงอาการฉุนเฉียวเครียวกราดต่อการปฏิบัติงานของทัพ และประนามทัพว่าเป็นคนหัวเก่าคร่ำครึตอนนี้เองโรดเวลแตกแยกออกไปจากพรรครีพาบริกันและตั้งพรรคใหม่ชื่อบุนมูธและสมัครเข้ารับเลือกตั้งเพื่อเป็นประธานาธิบดีครั้งที่สในปีคิศสกราต1912ัก19าแข่งขันกับทัพและวูดโรวินสันแต่เขาประสบความล้มเหลวมีน้ำซ้ำทัพและพรรครีพาบริกัน ได้คะแนนนำเพียงสองรัฐเท่านั้นรัฐเวอร์มอนต์และรัฐยูตาเป็นการพ่ายแพ้อย่างยับเยินครั้งสำคัญที่สุดของพรรคเก่าแก่นี้ทีโอโดโรสเวลโทษทัพแต่ทัพโทษตัวของเขาเองหรือเปล่าเปล่าเลยอย่างแน่แนด้วยตาล่ออยู่ด้วยน้ำตาทัพกล่าวสิ่งที่ผมทำไปแล้วไม่มีทางอื่นเหมาะสมไปกว่านี้จะโทษใครรสเวลหรือทัพด้วยความสั์จริงข้าพเจ้าไม่รู้ และข้าพเจ้าไม่สนใจจุดสำคัญที่ข้าพเจ้าจะนำมากล่าวก็คือการที่รถเวลตาิติตีเตียนทัพมิได้ชักนำให้ทับรู้สึกในความผิดของตนกลับทำให้ทัพพยายามแก้ตัวว่าเขาทำถูกแล้วและยังกล่าวย้ำด้วยตาหลอด้วยน้ำตาสิ่งที่ผมทำไปแล้วไม่มีทางอื่นเหมาะสมไปกว่านี้หรือเรามาพิจารณาเรื่องอันน่าอับอายขายหน้าเกี่ยวกับน้ามัน TT p o t d o ท่านยังจำได้หรือเปล่าหนังสือพิมพ์ต่างๆลงข่าวนี้ด้วยความเครียดแค้นมาเป็นเวลาหลายปีมันเป็นเรื่องซึ่งทําให้คนทั้งชาติสั่นสะเทือนไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่าเคยมีเรื่องใดเท่าที่คนยังมีชีวิตอยู่จําความได้เคยสร้างความเกรียวกล่าวให้ประชาชนอเมริกันเหมือนเรื่องนี้ความจริงของเรื่องอันควรอับอายขายหน้านั้นมีดังนี้อันเบิร์ตฟอน รัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยในคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีฮาดิงได้รับมอบหมายให้สงวนที่ดินซึ่งสมบูรณ์ด้วยน้ำมัน T Elhieu และ T Poddom w ไว้สำหรับรัฐบาลสำรองสำหรับกองทัพเรือจะได้ใช้น้ำมันนี้ในอนาคตท่านรัฐมนตรีฟอนเปิดให้มีการประมูลประทานบัตรสำหรับที่ดินรายนี้กระมัง ไม่ใช่เช่นนั้นดอกท่านเขาส่งสัญญามอบกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นขุมทรัพย์มหาศาลแห่งนี้ให้แก่เพื่อนของเขาชื่อเอ็ดเวิร์ดแอลโดเฮนีท่านรู้ไหมว่าโดเฮนีทำอย่างไรเขาให้เงินท่านรัฐมนตรีฟอนยืมหนึ่งแสนเหรียญต่อจากนั้นท่านรัฐมนตรีฟอนใช้อำนาจของเขาสั่งให้พักนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาเข้าทาการขับไล่เจ้าของบ่อน้ามันต่าง ซึ่งเป็นคู่แข่งขันของโดเฮนนี่ให้ออกไปจากที่ดินใกล้เคียงกับที่ดินสำรองน้ำมันที่เฮลฮิวได้อ้างเหตุผลว่าบอ่อน้ำมันของคนเหล่านี้เนื่องจากอยู่ใกล้เคียงกันจะดูดน้ำมันที่สำรองไว้บรรดาเจ้าของบอ่อน้ำมันผู้ถูกขับออกจากที่ของตนโดยการขู่บังคับด้วยปืนและหอกปลายปืนนำเรื่องไปฟ้องอย่างศาลและเปิดเผยความลับของการกินกันอย่างมหาศาลถึง100รยล้านเหรียญทีทพอรตโดม เรื่องอันเฉาโชเหมนคลุงนี้กลายเป็นอาวุธร้ายมาประหัตประหารการบริหารงานของคณะรัฐบาลฮาดิงเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งชาติแสดงอาการรังเกียจเกลียดชังคณะรัฐบาลคูเขียนว่าจะทำลายล้างพักรีพาบริกันเสียและจะจับอันเบิร์ดฟอนใส่ตารางฟอนถูกสารจำคุกสะสมกับความชั่วช้าสามานของเขาเป็นการลงโทษอย่างหนักซึ่งฆ่ารัฐการน้อยคนนัก จะเคยโดนเช่นนี้เขาเสียใจต่อการกระทำของเขาหรือเปล่าไม่เคยเลยต่อมาอีกหลายปีเฮอร์เบิร์ธฮูเวอร์แจ้งแก่ประชาชนในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งหนึ่งว่าความตายของประธานาธิบดีฮาดิงสืบเนื่องมาจากความกลุ่มใจและมีทุกข์ในการที่เพื่อนคนหนึ่งทรยศต่อเขาเมื่อเมียของอันเบิร์ดฟอนผู้นั่งฟังอยู่ด้วยได้ยินเข้าหลอนลุกพรวดพลาดขึ้นยืนร้องไห้ ยกกำปั้นชูขึ้นอย่างแข็งเคืองและร้องตะโกนอะไรกันหาดิงนะหรือถูกฟอนทรยศไม่จริงผัวของดิฉันไม่เคยทรยศใครต่อให้ในห้องประชุมนี้เต็มอยู่ด้วยทองคำแต่จะไม่สามารถล่อใจผัวดิฉันให้ทำความผิดได้เลยเขาโดนคนอื่นทรยศจนตัวของเขาต้องถูกฆ่าและถูกตรึงไม้กางเขนนั่นไงล่ะท่านธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นอย่างนี้แหละผู้กระทาความผิด ย่อมจะโทษใครต่อใครด่ไปหมดนอกจากตัวของเขาเองเราต่างเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนดังนั้นถ้าหากท่านและข้าพเจ้าอยากจะตำหนิตีเตียนใครสักคนในวันพรุ่งนี้เราจงระลึกถึงเรื่องของอันคาปอนเจ้าปืนคู่คราวลี่และอันเบิร์ตฟอนเราจงจำไว้ว่าการตำหนิตีเตียนเปรียบเหมือนนกพิราบที่เลี้ยงตามบ้านมันจะต้องกลับมาบ้านเสมอ เราจงจำไว้ว่าบุคคลที่เราจะว่ากล่าวและตำหนิมักจะแก้ตัวและเข้าข้างตัวเองทั้งจะโทษเราเข้าให้บ้างหรืออย่างวิลเลียมทับเขาจะพูดสิ่งที่ผมทำไปแล้วไม่มีทางอื่นเหมาะสมไปกว่านี้เมื่อเช้าวันเสาร์ของวันที่15เมษายนคิตศกรา1865เอบราแฮมบิงคอนนอนรอความตายอยู่ที่บ้านพักราคาถูก คนละฝั่งถนนกับโรงละครฟอร์ดโรงละครอันเป็นสถานที่ซึ่งเขาถูกยอนวินบูธยิงร่างอันมีขนาดยาวของลิงคอนนอนเหยียดขวางทะแยงเตียงนอนซึ่งเอียงกระเทเร่และมีขนาดสั้นกว่าร่างของเขามากเนื้อหัวเตียงมีภาพสีน้ำมันงานประกวดมา้าแขวนอยู่เป็นภาพจำลองฝีมือเร็เวๆจากภาพจริงอันลือนามของโรซาบอนเนอร์และมีตะเกียงแก๊สแสงรูปลู่ ซึ่งพุ่งประกายเป็นสีเหลืองอ่อนขณะลิงคอนกำลังนอนรอวาระสุดท้ายนั่นเองเอ็ดเวิร์ดเอ็มสเตนตันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพูดขึ้นร่างที่นอนอยู่นี้คือนักปกครองยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่โลกเคยพบเห็นมาแล้วลิงคอนมีเคล็ดลับในการติดต่อกับผู้อื่นอย่างไรหรือข้าพเจ้าศึกษาชีวประวัติของแอบราฮัมลิงคอนมาเป็นเวลาถึงสิบปี และอุทิศเวลา3ปีในการเขียนและทบทวนแก้ไขหนังสือเล่มหนึ่งชื่อลิงคอนมหาบุรุษข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของลิงคอนตลอดจนชีวิตทางบ้านของเขาอย่างมากมายเหลือหลายเท่าที่มนุษย์คนใดจะสามารถพึงกระทาข้าพเจ้าศึกษาเป็นพิเศษถึงวิธีการของลิงคอนในการติดต่อกับบุคคลทั้งหลาย เขาชอบตำหนิติเตียนผู้อื่นหรือเปล่าอ๋อเขาเคยเหมือนกันเมื่อครั้งยังหนุ่มขณะอยู่ที่บิดยันคิกแวลลี่ในรัฐอินเดียนาเขาไม่เพียงแต่ชอบตำหนิติเตียนอย่างเดียวหากชอบเขียนจดหมายและแต่งโครงถากถางเยาะเย้ยผู้อื่นแล้วแกล้งทำจดหมายเหล่านั้นหล่นตามถนนซึ่งเขาเชื่อแน่ว่าจะต้องมีผู้มาพบเข้าจดหมายฉบับหนึ่งในจำนวนที่เขาเขียนขึ้น ก่อให้เกิดความโกรธเคืองแก่ผู้ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างมากซึ่งเขาไม่เคยลืมเลยตลอดชีวิตแม้กระทั่งเมื่อลิงคอนมีอาชีพเป็นทนายความในเมืองสปริงฟิลด์รัฐอินดีเนอยเขายังคงโจมตีศัตรูของเขาโดยจดหมายปิดผนึกลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ต่างๆเขากระทําเช่นนี้อยู่เป็นประจำ ในฤดูใบไม้ร่วงของปีคิเตศการาต1842ลิงคอนล้อนักการเมืองไม่มีภูมิที่มีนิสัยพานเกเรซึ่งเป็นชาวไอริชชื่อเยมชิวลิงคอนเขียนจดหมายย่อเย้ยถักถางชายผู้นี้ลงในหนังสือพิมพ์สปริงฟิ์เยอนันเมื่อคนทั้งเมืองอ่านเขาต่างหัวเราะ ก, กันเสียใหญ่ชิวเป็นคนใจน้อยและยิ่งทนงถึงกับเดือดดานเป็นฟืนเป็นไฟเขาสืบหาเจ้าของจดหมายฉบับนั้น และได้รู้ความจริงว่าใครเป็นผู้เขียนกระโดดขึ้นหลังม้าขี่ตรงไปหาลิงคอนในทันทีและท้าลิงคอนให้ไปต่อสู้กันด้วยการดวลความจริงลิงคอนไม่ต้องการจะต่อสู้กับชายผู้นี้เพราะตามปกติเขาเป็นฝ่ายมีความคิดเห็นเป็นปรปักต่อการสู้กันในแบบการดวลแต่เพื่อป้องกันเกียรติยศของเขาเขาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงการท้าทายนี้เสียได้ชิว อ, อนุญาตให้ลิงคอน เลือกอาวุธที่จะใช้ดวลกันเนื่องจากลิงคอนเป็นคนมีแขนยาวเขาจึงเลือกเอาดาบทหารม้าชนิดใบกว้างแล้วศึกษาวิชาดวลดาบจากนายทหารบกผู้หนึ่งซึ่งสำเร็จการศึกษามาจากวิทยาลัยนายนร้อยเวสพอยในวันกำหนดนัดการต่อสู้คนทั้งสองมาพบกันที่หาดทรายของแม่น้ำมิสซิสซิปปีแห่งหนึ่งเตรียมพร้อมที่จะประดาเพื่อสังหารชีวิตซึ่งกันและกัน แต่แล้วในนาทีสุดท้ายนั้นเองสกันทั้งสองฝ่ายได้ห้ามปรามและทำความตกลงให้เลิกการดวนนิเสียเหตุการณ์อันนี้เป็นสิ่งอกสันควันหายอย่างที่สุดในชีวิตของลิงคอนเป็นบทเรียนใหญ่ยิ่งอันหาค่ามิได้ที่สอนเขาให้รู้จักศิลปะแห่งการปฏิบัติต่อผู้อื่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเลิกเขียนจดหมายสบประมาทและเลิกเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นให้ถูกหัวเราะเยาะ และนับตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาเขาแทบจะเลิกตำหนิติเตียนผู้อื่นเสียเลยทีเดียวในระหว่างสงครามกลางเมืองครั้งแล้วครั้งเล่าลิงคอนเปลี่ยนแม่ทัพประจำกองทัพด้านแม่น้ำโปโตมักแม่ทัพที่ถูกเปลี่ยนเหล่านี้มีแม็กเคลนลันโป๊บเบิร์นไซฮุกเกอร์มิดซึ่งล้วนแต่ปฏิบัติการสงครามพลาดพลั้งเสียหายอย่างร้ายแรง และความร้ายแรงนั้นถึงกับเป็นเหตุให้ลิงคอนต้องเดินกลับไปกลับมาตามพื้นห้องด้วยความหมดหวังประชาชนครึ่งประเทศต่างตำหนิแม่ทัพผู้หย่อนสมรรถภาพเหล่านี้อย่างชุนเฉียวเกรี้ยกราดแต่ลิงคอนผู้มีอุดมคติว่าด้วยปราศจากเจตนาร้ายต่อผู้ใดด้วยเมตตากรุณาต่อมนุษย์ทุกคนรักษาอารมณ์ของเขาไว้ให้อยู่ในลักษณะเงียบสงบในบรรดาสุภาสิทธิที่เขาชอบมากที่สุด มีอยู่ประโยคหนึ่งคืออย่าตัดสินผู้อื่นถ้าท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นตัดสินท่านเมื่อนางลิงคอนหรือใครก็ตามพูดให้ร้ายแก่พวกฝ่ายใต้ลิงคอนจะกล่าวอย่าไปตดเตียนเขาถ้าเราอยู่ในกรณีแวดล้อมทำนองเดียวกับเขาเราก็จะทำเช่นนี้เหมือนกันตามความเป็นจริงลิงคอนมีโอกาสที่จะตํานิติเตียนผู้อื่นอย่างดีที่สุดถ้าเขาประสงค์จะทาเช่นนั้น ข้าพเจ้าจะขอยกตัวอย่างให้ท่านดูสักเรื่องหนึ่งสงครามแห่งเมืองเกตติดเบิร์กได้โรมรันพันตูกันอย่างทรหดระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สามกรกฎาคมคิตสกกราด 1,863 ัรครั้นในคืนวันที่สี่กรกฎาคมนายพลรอเบิร์ตอีลีได้เริ่มต้นล่าถอยไปทางทิศใต้ในขณะเมฆบนท้องฟ้ามืดครึ้มและมีฝนเทลงมาอย่างขนานใหญ่พร้อมกับมีพายุตลอดเวลา ตอนนายพลลีและกองทหารล่าถอยมาถึงแม่น้ําโปูโตโมักเขาพบว่าแม่น้ําเบื้องหน้าไม่สามารถจะเดินทัพผ่านไปได้เพราะน้ําขึ้นจนล้นฝั่งส่วนทางเบื้องหลังของเขามีกองทหารฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะตั้งคุมเชิงอยู่นายพลลีอยู่ในฐานะติดกับดีๆนี้เองเขาไม่มีทางที่จะหนีไปทางไหนลิงคอนตระหนักความจริงในเรื่องนี้ดี เหตุการณ์ตอนนี้ดูประหนึ่งเป็นโอกาสอันงามที่สวรรค์ประทานให้โอกาสที่จะจับนายพลลีและกองทหารของเขาเพื่อจบสงครามกลางเมืองเสียโดยฉับพลันด้วยเหตุนี้เองลิงคอนผู้หวังจะได้รับชัยชนะอย่างเต็มเปี่ยมจึงออกคำสั่งให้ในายพลมิทจมตีในทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรียกประชุมสภาการสงครามลิงคอนส่งคำสั่งนี้ของเขาไปทางโทรเลข และให้คนถือคำสั่งนี้เป็นพิเศษเดินทางไปหานายพลมิตรอีกผู้หนึ่งเป็นการเร่งเร้าให้ในายพลมิตรกระทําการโดยมิรอช้านายพลมิตรปฏิบัติอย่างไรหรือท่านเขาปฏิบัติทางตรงกันข้ามกับคําสั่งของลิงคอนกล่าวคือเขาฝ่าฝืนคําสั่งนั้นด้วยการเรียกประชุมสภาการสงครามเขารีรอเขาชักช้าเขาโทรเลขอ้างเหตุ ข, ขัดข้องต่างๆ ที่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นด้วยการโจมตีกองทัพของนายพลลีลงท้ายน้ำในแม่น้ำโปโ ต, โตมักลดลงซึ่งช่วยให้ในายพลลีกับกองทัพของเขาหนีข้ามไปได้อย่างสะดวกสบายลิงคอนถึงกับเดือดเป็นฟืนเป็นไฟนี่หมายความว่าอะไรกันนะเขาร้องลั่นกับรอเบิร์ตลูกชายของเขาพระเจ้าผู้มีอนุภาพนี่หมายความว่าอะไรกัน พวกนั้นอยู่ในเงื้อมมือของเราแล้วเราเพียงแต่ยื่นมือออกไปเท่านั้นเราก็จะจับเขาได้เป็นอันว่าฉันจะพูดอะไรหรือทำอะไรก็ไม่สามารถทำให้กองทัพเคลื่อนที่ในกรณีเช่นนี้แม่ทัพเกือบทุกคนก็สามารถชนะลีถ้าฉันอยู่ที่นั่นฉันจะขยี้ลีเสียเองด้วยความไม่พอใจอย่างมากลิงคอนนั่งลงเขียนจดหมายถึงมิทฉบับหนึ่งโปรดรู้ว่าในระยะนี้ลิงคอนเป็นคนอยู่ในวัยมีอายุ ซึ่งย่อมจะต้องสุ ข, ขุมเยือกเย็นและสงวนถ้อยคําแม้กระนั้นก็ตามจดหมายฉบับนี้ลิงคอนเขียนขึ้นเมื่อคิตศักราชหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามนับว่าเป็นการตำหนิมิดอย่างรุนแรงท่านในผลที่รักข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าท่านพอใจในโชคร้ายใหญ่หลวงของเราซึ่งเกิดมาจากการหนีไปของลีเขาอยู่ในเงื้อมมือของเราแล้วและการที่เราสามารถจะปิดฉากการต่อสู้ของเขาเสียได้ ประกอบกับความสําเร็จในการรบครั้งที่แล้วๆของเราจะทําให้สงครามอวสารลงแต่จากการหนีไปของลีย่อมหมายถึงว่าสงครามจะยืดเยื้อต่อไปอีกอย่างไม่มีกําหนดถ้าท่านไม่สามารถจะโจมตีลีจนประสบชัยชนะอย่างเรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่แล้วในโอกาสต่อไปท่านจะสามารถชนะเขาได้อย่างไรในเมื่อเขาอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ําซึ่งท่านจะพากองทหารไปกับท่านได้เพียงไม่เท่าใด คือไม่มากกว่าสองในสามของทหารทั้งหมดที่ท่านมีอยู่มันเป็นสิ่งอันไร้เหตุผลที่จะหวังและข้าพเจ้าไม่ได้หวังเลยว่าท่านจะปฏิบัติงานนี้ได้ผลมากมายในปับันนี้โอกาสอันงามเลิศของท่านได้ผ่านพ้นไปเสียแล้วและจากการสูญเสียโอกาสนั้นข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ทรมานอย่างเหลือแสนท่านลองทายซิว่านายพลมิทําอย่างไรเมื่อเขาอ่านจดหมายฉบับนี้ มิดหาได้เห็นจดหมายฉบับนี้ไม่เพราะลิงคอนไม่ได้ส่งไปให้เขาหลังจากความตายของลิงคอนปรากฏว่าจดหมายฉบับนี้ทิ้งรวมอยู่ในกองกระดาษเอกสารต่างๆของลิงคอนข้าพเจ้าขอทายเพียงแต่เป็นการถ่ายเท่านั้นว่าหลังจากเขียนจดหมายฉบับนี้แล้วลิงคอนคงจะยืนมองไปทางช่องหน้าต่างและพูดกับตนเองเดี๋ยวก่อนฉันไม่ควรจะรีบด่วนปรักรมมิดเพราะฉันนั่งอยู่ในธรรเนียบไวท์เฮาส์อย่างสุขสบาย ซึ่งเป็นการง่ายมากที่จะออกคำสั่งให้มีดโจมตีแต่ถ้าฉันอยู่ที่เกตติสเบิร์กและถ้าฉันเห็นการนองเลือดอย่างมีดได้เห็นมาในระหว่างสองสัปดาห์ที่แล้วและถ้าหูของฉันอื้ออึงอยู่ด้วยเสียงร้องครวญครางของทหารที่บาดเจ็บและกำลังรอความตายบางทีฉันอาจจะหมดความกระตือรือร้อนที่จะโจมตีลีในตอนนี้ทาลองเดียวกับมีดก็เป็นได้ถ้าฉันอยู่ในฐานะของมีด โดยรู้สึกสะดุ้งกลัวต่อสิ่งเหล่านี้บางทีฉันอาจจะกระทําลงไปในลักษณะเดียวกับที่เขาได้กระทําก็เป็นได้อย่างไรก็ตามเวลานี้โอกาสนั้นผ่านพ้นไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฉันส่งจดหมายฉบับนี้ไปให้มิตรผลที่ฉันได้รับก็คือฉันจะสบายใจส่วนมิตรจะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองต่างๆนานาและจะหันมาโทษฉันเข้าบ้างนอกจากนั้นจะก่อให้เกิดความรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจ ซึ่งเป็นการทำลายสมรรถภาพของเขาในฐานะแม่ทัพในการทำสงครามครั้งต่อๆไปและอาจจะเป็นเหตุบังคับให้เขาต้องลาออกจากกองทัพ บ, บกก็ได้เหตุนี้เองตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วลิงคอนจึงโดนจดหมายฉบับนี้ไปเสียทางหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะเขาเคยผ่านด้วยความชอกช้ำ ม, มาแล้วว่าการติเตียนและดุดาผู้อื่นโดยไม่ไวหน้ามักจะปรากฏผลร้ายเสมอทีโอโดโร์เวลกล่าวว่า ถ้าเขาเผชิญกับปัญหายุ่งยากในขณะเขาเป็นประธานาธิบดีเขามักจะพิงหลังกับพนักเก้าอี้และเงยหน้ามองภาพลิงคอนวาดด้วยสีน้ำมันซึ่งแขวนอยู่ที่ผนังหน้าโต๊ะของเขาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์และถามตัวเองถ้าลิงคอนอยู่ในฐานะของฉันเขาจะทำอย่างไรเขาจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีใดต่อไปนี้ถ้ามีสิ่งใดมาชักจูงเราให้อยากดุดาผู้อื่นเราในวงเล็บสำหรับชาวอเมริกัน จงควักธนบัตรฉบับละห้าเหรียญออกจากกระเป๋ามองดูภาพลิงคอนที่ธนบัตรนั้นและถามถ้าปัญหานี้เป็นของลิงคอนเขาจะจัดการกับมันอย่างไรท่านรู้จักใครสักคนหนึ่งที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคนคนนั้นให้ดีขึ้นบ้างไหมดีแล้วดีมากทีเดียวข้าพระเจ้ายินดีอย่างยิ่งแต่ทำไมท่านไม่จัดการกับตัวของท่านเองเสียก่อนเล่าถ้าจะพูดกันตามหลักการทาประโยชน์เพื่อตนเอง การแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเป็นผลกำไรอันงามยิ่งกว่าพยายามแก้ไขผู้อื่นและเป็นการกระทำที่มีภัยน้อยกว่ากันมากมายหลายเท่านักเมื่อการต่อสู้เกิดขึ้นในบุคคลใดเป็นวาทะของโรเบิร์ตบาวนิ่งบุคคล น, นั้นเป็นผู้มีคุณค่าไม่น้อยเลยการแก้ไขตัวของท่านให้ดีขึ้นอาจจะกินเวลาตั้งแต่เวลานี้จนถึงคิดมากก็ได้จากคิดมาเป็นต้นไป ท่านจงพักผ่อนเสียให้พอแล้วจงใช้วันปีใหม่ในการแก้ไขและวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นแต่จงแก้ไขตัวของท่านเองให้เรียบร้อยเสียก่อนอย่าบ่นในเรื่องหิมะรกรุงรังตามหลังคาเพื่อนบ้านของท่านคงจู๋กล่าวในเมื่อบันไดหน้าบ้านของท่านเองยังสกรปรกอยู่ในขณะเมื่อข้าพเจ้ายังหนุ่มและพยายามอย่างสุดกำลังที่จะให้ประชาชนสนใจในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเขียนจดหมายโง่งๆฉบับหนึ่งถึงริชฮาร์ดิงเดวิด นักประพันธ์ผู้ในสมัยหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในวงวรรณกรรมของสหรัฐข้าพเจ้าเตรียมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับนักประพันธ์เพื่อลงในนิตยาสารฉบับหนึ่งและข้าพเจ้าจดหมายถามเดวิดให้เขาเล่าว่าเขามีวิธีการประพันธ์อย่างไรบ้างก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากใครคนหนึ่งพร้อมด้วยหมายเหตุที่ตอนล่างสุดของจดหมายฉบับนี้บอกให้พิมพ์ตามคำบอกแต่ไม่ได้อ่าน ข้าพเจ้าเกิดความสนใจต่อข้อความประโยคนี้อย่างยิ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าเจ้าของจดหมายฉบับนั้นจะต้องเป็นคนใหญ่โตมีงานยุ่งและเป็นคนสำคัญข้าพเจ้าเองมิได้มีงานยุ่งแม้แต่น้อยแต่ข้าพเจ้าอยากจะให้ริเชร์ฮาร์ดิ้งเดวิดเกิดความสนใจในตัวข้าพเจ้าเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงพิมพ์ลงไปที่ตอนล่างของจดหมายสั้นๆของข้าพเจ้าฉบับนั้นบ้างบอกให้พิมพ์ตามคำบอกแต่ไม่ได้อ่านเดวิด มิได้ทำความลำบากที่จะตอบจดหมายฉบับนั้นเขาส่งมันกลับคืนมาให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยมีลายมือของเขาเขียนบัดบัดที่ตอนล่างมารยาทของท่านช่างสามเสียเหลือเกินจริงอยู่ข้าพเจ้ากระทำไปอย่างโง่เขลาเบาปัญญาและควรอย่างยิ่งที่เขาจะด่าข้าพเจ้าแต่ในฐานะข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าอดโกรธเสียมิได้ข้าพเจ้าโกรธเขาอย่างมากจนถึงกับเมื่อข้าพเจ้าอ่านพบข่าวตายของริชาร์ดฮาร์ดิ้งเดวิดสิบปีต่อมา ความรู้สึกที่ยังเกาะแน่นอยู่นจิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าออกจะละอายมากอยู่ที่สารภาพความจริงอันนี้ก็คือความปวดร้าวที่เขากระทําแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านและข้าพเจ้าต้องการจะทําให้ใครคนหนึ่งโกรธพรุ่งนี้โกรธจนเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาหลายสิบปีและตราบกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเราจงตีเตียนเขาผู้นั้นเพียงไม่กี่คําด้วยคําพูดที่เจ็บแสบไม่ไว้หน้า โดยไม่ต้องเอาใจใส่ว่าคำตีเตียนนั้นจะมีเหตุผลอันควรหรือไม่ในการติดต่อกับบุคคลทั่วไปเราจงจำไว้เสมอว่าเรามิได้ติดต่อกับสัตว์โลกที่เพียบพร้อมด้วยเหตุผลแต่เราติดต่อกับสัตว์โลกซึ่งเต็มด้วยความแปรผันแห่งอารมณ์สัตว์โลกผู้ห้อมล้อมอยู่ด้วยอัคติและจิตใจลุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความยิ่งทนงและทิฏฐิ คำติเตียนเปรียบประดุดประกายเพลิงอันเต็มด้วยอันตรายประกายเพลิงซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดจากบินระเบิดแห่งความหยิ่งทนงการระเบิดซึ่งในบางครั้งเร่งให้ไปสู่ความตายเร็วกว่าควรเป็นต้นว่าในพลเลนเนอร์วูดถูกติเตียนและไม่ได้รับอนุญาตให้ไปประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับกองทัพผลก็คือทาให้เขาอับอายขายหน้าและอายุสั้น คำติเตียนอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ทอมัสทาดีนักนวนิยายเด่นที่สุดคนหนึ่งซึ่งส่งเสริมให้วรัณกรรมอังกฤษสุกใสขึ้นเกิดความน้อยใจจนถึงกับเลิกเขียนนวนิยายตลอดชีวิตคำติเตียนอีกนั่นแหละที่เป็นเหตุให้ทอมัสแชตเตอร์ตันกวีวัยรุ่นอังกฤษฆ่าตัวตายเมื่อสมัยยังหนุ่มเบนจามินแฟรงคลินเคยเป็นคนผงผางไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา แต่แล้วภายหลังเขากลายเป็นคนมีชั้นเชิงสูงและคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในการติดต่อกับผู้อื่นจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำประเทศฝรั่งเศสเคล็ดลับในความสำเร็จของเขาหรือท่านข้าพเจ้าจะไม่กล่าวร้ายต่อผู้ใดเขาพูดและกล่าวเฉพาะแต่ความดีเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ของมนุษย์ทุกคนคนโง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นที่ชอบตาหนิติเตียนปรับปราลงโทษและบ่นว่า และคนโง่เขลาเบาปัญญาส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติเช่นนี้แต่คนมีอุปนิสัยอันดีงามซึ่งรู้จักการควบคุมตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจผู้อื่นและยินดีให้อภัยคนบุญหนักสักใหญ่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเขาคาไลากล่าวโดยการปฏิบัติต่อผู้น้อยแทนจะตำหนิผู้อื่นทางที่ดีเราควรจะพยายามเห็นใจคนเหล่านั้นเราจงมาค้นคว้าหาความจริงว่าทาไม เขาได้กระทำลงไปอย่างที่เขาได้กระทำการปฏิบัติเช่นนี้จะเกิดประโยชน์และน่าสนใจยิ่งไปกว่าการกล่าวคำตำหนิติเตียนเสียอีกและจะอบรมบ่มนิสัยของเราให้เป็นผู้รู้จักเห็นใจผู้อื่นรู้จักอดทนและเป็นผู้มีความการุณาปราณีการเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคือการให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างดรแซมเมียนยอนสันกล่าว พระเจ้าเองไม่เคยมีความประสงค์ที่จะตัดสินบุคคลใดจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของเขาทำไมท่านและข้าพเจ้าจึงจะด่วนตัดสินผู้อื่นเร็วเกินไปเล่า